ตอนนี้จะเทศพูดธรรมะให้ฟังตอนฟังนี้ต้องไม่พูดคุยกันไม่ขยับร่างกายไม่พูดวาจาไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวจะได้ฟังรู้เรื่องไม่ใช่อะไร ถ้าไม่ตั้งใจฟังฟังไปก็เสียเวลาไม่รู้เรื่องไม่เกิดประโยชน์การฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่เรารู้แล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปอีก จะทำให้กำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบ ถ้ากายว่ า, จาใจไม่สงบจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งห้าอย่างนี้ถ้านั่งกายยังทํานูน่นทํานี่อยู่มันก็เลยไม่ได้ฟังฟังก็ไม่เข้าไปในใจเพราะใจไปอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่เช่นเดียวกับการพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันก็จะไม่เข้าไปในใจ ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรมีความหมายอย่างไรเพราะใจไม่ได้ไปอยู่กับเสียงธรรมใจไปอยู่กับการพูดคุยกันหรือแม้แต่ความคิดต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก้า เสยเวลาไม่เกิดประโยชน์การฟังธรรมนี้ต้องการให้เกิดประโยชน์เพราะประโยชน์จากการฟังธรรมนี้มีคุณค่ามาหาศาลเพราะจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้คือความรู้ทางธรรมนี้จะทําให้เรา ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขใจไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขใจจะมีความสุขใจได้ต้องมีความรู้ทางธรรมต้องได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมและหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมแล้ว ก็นำเอาไปปฏิบัติต่อฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้ประโยชน์มากนะัได้แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอันที่สองที่ได้เกิดจากการฟังทรให้อย่างนี้จะขยายขึ้นไปอีกเป็นอันที่สองที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเอาไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติ ประโยชน์ที่จะได้รับก็เดียวเดียวได้รับในขณะที่ฟังธรรมแต่พอไม่ได้ฟังธรรมประโยชน์เหล่านี้ก็จะหายไปแต่ถ้านำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติต่อธรรมนี้ก็จะฝังลึกเข้าไปในใจจะอยู่คู่กับใจไปตลอดจะผลิตความสุขให้กับใจตลอดเวลา จนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมียศมีตำแหน่งไม่ต้องมีรางวีรางวัลจากใครไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่า ง, งๆไม่ต้องไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพราใจมีความสุขในตัวเองความสุขนี้เป็นความสุขที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่มั่นคงเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่หากันในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป พอหมดไปความสุขหายไปความทุกข์เข้ามาแทนที่คนที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปล้มละลายนี่ใจนี้ทุกข์ทรมานมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายนี่คือความสุขจากเข้าของเงินทองจากคนนั่นจากคนนี้ เวลาอยู่กับเขาก็มีความสุขเวลาเขาจากไปนี่เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับอางทีไม่อยากจะอยู่อยู่แล้วมีแต่ความทุกข์นี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรงสอนว่ามันเป็นยาพิษ มันเป็นเหมือนน้ำผึ้งอาบใบมีดโกนลองไปเลียน้ำผึ้งที่ติดอยู่ใบมีดโกนดนะ้วยเดี๋ยวถ้าพลาดไปก็ถูกใบมีดโกนบาดลิ้นบา ด, บาดปากนะเลือดไหลเป็นความสุขที่เสี่ยงต่อการมีความทุกข์ เพราะว่าเป็นความสุขไม่แน่นอนเป็นความสุขที่อาจจะอันตรธานหายไปได้ทุกเวลายัางไม่คาดฝันอยู่ดีๆเคนนั้นคนนี้อาจ ต, ตายไปคู่รักเราคู่ครองเราแต่งงานกันได้สามวันตายไปก็มีบางคนยังไม่ทันแต่งตายไปก็มี ยังไม่เข็ดยังขอไปแต่งงานที่หน้าหีบศพอีกนี่เพราะว่าหลงกับความสุขทางโลกความสุขที่จะกลายเป็นยาพิษขึ้นมาคนทางโลกนี้จะมองไม่เห็นเพราะคิดไม่เป็นจะเห็นแต่ด้านสุข แต่จะไม่เห็นด้านทุกข์ถ้าเป็นเหร e. like ียญก็จะมองเพียงด้านเดียวไม่เคยพลิกดูอีกด้านหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็จะเห็นว่าโอ้ยมันดีได้ข้าวของเงินทองมาดีใจได้ลาบยศได้ได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศ ดีอกดีใจกันได้รับรางวัลต่างๆได้ไปเที่ยวได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆิด้ความสุขกันอย่างเต็มที่สุขกันแบบสุดๆแต่พอมามันพลิกไปอีกด้านหนึ่งพอเหรียญ น, นี้มันพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาทีนี้มีแต่ความทุกข์ล้ อีกด้านเงินก็คือความเสื่อมทุกอย่างมีได้มีเสียในโลกนี้ไม่มีใครจะได้อย่างเดียวของที่ได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียเหมือนไปไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนตายต้องจากกันวันใดวันหนึ่งจะวิเศษขนาดไหนจะเลิศเลอขนาดไหน จะมีสมบัติมากน้อยเพียงไรจะมีตามตำแหน่งสูงส่งเพียงไรจะมีรางวี่รางวัลมากน้อยเพียงไรจะได้ไปเที่ยวมาออมากน้อยเพียงไรก็ตามเดี๋ยวความสุขต่างๆเหล่านี้มันก็จะจากเราไปหรือไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนที่พวกเราไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันพราไม่มีที่ไหนเขาสอนกันมหาวิทยาลัยระดับโลกก็ไม่สอนเรื่องอนิจจงเรื่องของความเสื่อมถ้าสอนก็เดี๋ยวก็ไม่มีใครมาเรียนหนังสือเพราะว่า ไปเรียนจบแล้วไปทํามาหากินนั่น่วยแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องอ่าสูญเสียมันไปอย่างนี้ไม่ไปเรียนดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าไปเรียนแล้วเดี๋ยวต้องมาทุกไปเรียนทําไมไปเรียนแล้วไปหาเงินหาทองแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับเงินทองเพราะเงินทองมันไม่แน่นอน บางทีก็ได้บางทีก็เสียเวลาได้ก็ดีใจแต่เวลาเสียก็เสียใจนะถ้าโลกนี้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่รับรองได้ว่าจะมีแต่คนบวชนะหรือไม่บวชก็อยู่แบบนักบวชนะไม่หาลาบยศสรรเสริญ ไม่หาความสุขจากรูปเสียงเกิจดลดต่างๆเพราะคำสอนจะบอกว่ามันเป็นยาพิษนั่นเองมันจะผลิตความทุกข์ให้กับผู้ไปครอบครองมันได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไปญาติโยมที่มาอยู่วัดนี่คงจะเจอมาบ้างแล้วที่มาอยู่วัดก็เพราะไป ไปเจอการสูญเสียนี่สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้สูญเสียคนนั้นคนนี้ความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปหมดเหลือแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงาเหลือแต่ความว่าเวทำไมต้องเศร้าส้อยหงอยเหงาวาเวด้วยเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ ตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่เห็นมีอะไรทำไมเราอยู K, like shepherd, ไ่ได้อย่างสนุกสนานไม่ต้องมีสมบัติข้าวของเงินทองของเล่นก็หาอะไรเล่นก็ได้หาก้อนหินมาเล่นก <c oughs> ็ได like claro. ้หาของที่เขาทิ้งแล้วมาเล่นก็ได้ก็มีความสุขได้เหม็นจาเป็นจะต้องมีข้าวของเงินทองเหม็นจาเป็นจะต้องมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขเลย พอไปได้เขามาแล้วแล้วเวลาเสียเขาไปนี่โอ้โหมันมันทุกข์แบบไม่เคยมาเจอมาก่อนนะบางคนทุกข์ใจทั้งไม่อยากจะอยู่ต่อไปฆ่าตัวตายไปก็มากนะเวลาที่ต้องเจอกับการสูญเสียว่าไม่มีใครสั่งใครสอนไว้ตั้งแต่ยาววนะัยถ้ามีคนพร่ำสอนอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ยาววนะัยเนี่ย สอนเด็กมันตั้งแต่เด็กไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการสูญเสียนะเดี๋ยวต้องเสียนู่นเสียนี่วิธีที่จะทำให้ไม่เสีย อ, อกเสียใจก็คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปมีมันถ้าจำเป็นก็อย่าไปยึดติดกับมันต้องพร้อมที่จะให้มันไปพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ เสียอะไรไปก็เริ่มต้นใหม่ถ้ามันจำเป็นต้องมีเช่นปัจจัยสี่นี่มันจำเป็นต้องมีเพราะชีวิตจะอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเกิดสูญเสียปัจจัยสี่ไปก็เริ่มต้นใหม่ เมื่อก่อนเราไม่มีเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีเราก็อาศัยพ่อแม่อยู่ไปพอเราโตขึ้นเราก็มาหาของเราเองแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดมันสะดุดหกล้มสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็เริ่มต้นใหม่อย่าไปเสียใจอย่าไปเสียดาย เ, เทวดาลดน้ำมนให้เรายอมรีบสาธุใชแถ้ามองอะไรมันมองเป็น้มันจะดีเป็นหมดนะผลตกก็ว่าโอ้เทวดามาโปลดแล้วเทวดามาลดน้ำมนให้ให้ศีลให้พร แทนที่จะโกรธฝนก็ไม่โกรธสาธุดีใจเห็นล้วหยุดแล้วเ ท, е ทวดามาเยี่ยมเดียวๆนั่นเอง <im it> เวลาอาบน้ำเปียกมากกว่านี้เห็นกลัวเลยฮะเวลาอาบน้ำนี่อยากแค่เปียกโชกโชกตักน้ำเป็นขันขันเปิดฝักบัวไหลแรงนี่ เทวดาปราพรมน้ำมนต์ไม่ถึงนาทีหนึ่งวิ่งกันจ้อนไปหมดไปแล้วเห็นไหมเกิดไม่จำเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบสองหนักกว่านี้ไม่เป็นไรนั่งไปก่อนเดี๋ยวถ้ามาค่อยย้ายใหม่ นี่แ่ไม่มีอะไรเทีย่ยงแท้แน่นอนชีวิตเนี่ยของเราเจอกับสิ่งที่ไม่เทีย่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียถ้าอยากจะอยู่แบบไม่ทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดมันเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอยู่แบบไม่มีบ้างเตรียมอยู่แบบสูญเสียบ้างแต่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่เข็ดก็เริ่มต้นใหม่ ถ้าสูญเสียไปสิ้นเนื้อประดาตัวไปในวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกัน เ, เหมือนกับมาเกิดใหม่ เ, เวลาเรามาเกิดเราก็ไม่มีอะไรติดตัวม า, เ, าเวลาเราตายก็เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเหตนเวลาที่เราสูญเสียอะไรก็คิดว่าเราตายไปก็แล้วกันแล้วเรามาเริ่มมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ แฟนตายไปแฟนจากไปแฟนทิ้งไปก็คิดว่าตายจากกันไปก็แล้วกันแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มาหาแฟนคนใหม่ถ้าเรายังไม่เข็ดถ้าเข็ดก็ไปอยู่วัดไปฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับความสุขอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา ในวัดนี้ก็มีความสุขนะความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเรา อ, อยู่ที่วัดนี่แหละคนจึงมาอยู่วัดกันอยู่แล้วก็ไม่กลับไปก็มีอยู่เยอะคนที่ไม่กลับก็แสดงว่าได้เจอความสุขแล้วคนที่ยังต้องกลับไปก็แสดงว่ายัง ไม่เจอความสุขเหมือนไปขุดทองขุดทองแล้วยังไม่ได้ทองก็เลยกลับบ้านดีกว่าคนที่ขุดแล้วได้ทองนี่ไม่กลับบ้านนะอคอยแต่จะขุดอยู่เรื่อยๆเอาทองดีกว่าเอาความสุขในวัดดีกว่าเพราะความสุขในวัดนี้ไม่มีการสูญเสียไม่มีความเศร้าโศกเสียใจตามมา ไม่มีการพลาดพลาดจากกันได้แล้วได้เลยได้แล้วเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครมาขโมยไปได้ไม่มีใครมาแย่งเอาไปได้แต่ของต่างๆในโลกนี้มีคนคอยจะมาแย่งมาคอยฉกมาชิงมาเอาไปอยู่เรื่อยๆเผือเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ทันเขาก็ถูกเขาหลอกเอาไปมาแย่งเอาไป พอถูกเขาช่วงชิงไปก็เสีย อ, อกเสียใจนะนี่คือถ้าอยากจะมีสิ่งต่างๆในโลกนี้ต้องเตรียมใจต้องสอนใจว่ามันดีกืนดีมันจากมันจะจากเราไปได้ทันทีทันใดถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจะตกใจจะเสีย ว, ว่าไปที่หัวใจ จะเสีย อ, อกเสียใจจะคิดไม่เป็นนะจะคิดแต่จะทำบาปอย่างเดียวถ้ารู้ว่าใครมาทำกับเราก็จะคิดล้างแค้นอาฆาตพยาบาทถ้าไม่มีใครมาไม่รู้ว่าใครก็จะคิดฆ่าตัวตายเพราะทนอยู่กับความสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ได้ทนอยู่กับการสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบไปไม่ได้ นี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมมาก่อนถ้ามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราคอยเตือนใจให้ท่องคาถาอันวิเศษที่พวกเราไม่ชอบท่องกันคาถาอันวิเศษนี่คืออะไรคือมรณาณสตินี่พระเจ้าสอนให้เราท่องอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้ว ย่มมีความแก right ่เป right. ็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ ให้ท่องคาถานี้ไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้มันคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่เสียใจกับความเป็นความตายของร่างกายไม่เสีย อ, อกจะเสียใจกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ <c oughs> ถ้าเป็น ผู้โดยสารบนเรือโดยสารก็ฝึกว่ายน้ําก่อนที่จะไปขึ้นเรือหัดว่ายน้ําให้เป็นก่อนเพราะเรือนี้จะต้องอับปางกลางแม่น้ำํำพอเรืออับปางก็ไม่เป็นไรไว่ายน้ําเป็นเดี๋ยวว่ายขึ้นฝั่งได้แต่ถ้าไม่หัดว่ายน้ําแล้วไปขึ้นเรือที่จะอับปางพอมันล่มทีนี้ก็จมน้ําตาย ใจของเราก็อย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นซึ่งเป็นเหมือนชูชีพหรือเป็นเครื่องเป็นวิธีสอนให้เราหัดว่ายน้ํากันถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นเรามาอยู่ในโลกนี้ถ้าเราทําใจไม่เป็นเวลาเกิดการความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดภาคจากการนี้จะวุ่นวายใจ จะไม่สบายใจจะเศร้าโศกเสียใจจะทุกข์ใจกันความทุกข์เหล่านี้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้แต่เราไม่สามารถไปป้องกันความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันได้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดขึ้น แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนมันจะไม่มากระทบอะไรกับใจของเราใจของเรานี้จะอยู่เหนือความทุกข์จะไม่จมจะอยู่เหนือน้ำจะไม่จมน้ำตายถ้าเป็นคนก็จะไม่จมน้ำตายเวลาเรืออับปาง<ม>เรืออับปางก็ลอยอยู่เหนือน้ำได้เพราะว่ายน้ำเป็นอันนี้แหละเป็นของง่ายๆแต่เรามักจา ไม่เชื่อกันเลยว่าดูถูกความประโยชน์ของมันกันบ่อยประละเลยไม่ยอมท่องคาถานี้กันทุกวันนี้อย่างน้อยคนจะท่องก่อนจะออกจากบ้านนี่เตยขึ้นมาก็ควรจะท่องคาถานี้ไว้เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา มีการสูญเสียมีการพลดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้พอเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดามันจะต้องเกิดเหมือเรารู้ว่าวันนี้ฝนจะต้องตกเป็นธรรมดาเราก็เตรียมร่มไว้เท่านั้นเองพอมีร่มเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาฝนตกเราก็กางร่ม แต่ถ้าเราไม่เตรียมร่มมาไว้เราไม่ได้ยินได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศที่เขาพยากรณ์ไว้ว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็เลยไม่ได้เตรียมร่มมาไว้พอเราไปก็เจอฝนขึ้นมาไม่มีที่หลบฝนไม่มีร่มก็เปียกโชกทั้งตัวนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นร่มเป็นที่พึ่งของใจ ที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเป็นเกราะคุ้มครองใจลูกกระสุนลูก ร, ระเบิดนี้จะไม่สามารถทะลุเข้ามาผ่านเกราะได้ก่อนที่มีเสื้อหุ้มเกราะนี้จะปลอดภัยเวลาถูกยิงเพราะกระสุนมันจะไม่ถูกเนื้อมันจะไปติดอยู่กับที่เกราะธรรมะเป็นอย่างนี้ มีไว้สำหรับปกป้องความทุกข์ต่างๆภัยต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจที่จะต้องมาอย่างแน่นอนอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะไม่มีวันแก่เราจะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เรามีสุขภาพแข็งแรงเราออกกำลังกายทุกวันเราวิ่งทุกวันต่อให้ออกกำลังกายทุกวันวิ่งทุกวัน เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาต่อให้ดูแลรักษาอย่างไงร่างกายอย่างไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่แล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็จะหมดไปเวลาที่เราตายหรือมันอาจจะจากเราไปก่อนก่อนที่เราตายก็ได้ น, นี่คือสิ่งที่เรา ต้องมาฝึกหัดกันคือมาฝึกทำใจอย่าไปผูกติดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราหามาได้ต้องเตรียมพร้อมที่จะจากมันไปเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจากกันเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือมันต้องจากกันงั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปติด อย่าไปถือว่าเป็นของเราคิดว่าเป็นของยืมเข้ามาถ้าเป็นของยืมมันเข้ามาเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าของก็ามาข อ, อคืนไปเราก็ไม่เสียใจเวลาเจ้าของก็ามาข อ, อคืนไปหรือเวลาที่เราต้องเอาไปคืนเจ้าของเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราของต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นของเรานะ เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเองกันเองพอเวลาเขาต้องกลับไปหาเจ้าของเราก็เลยเสียหกเสียใจกันเศร้าสูกเสียใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกันถ้าได้ฟังเทศฟังธรร ม, แ ล, รรมและได้ปฏิบัติตามแล้ว ความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มากระทบกับใจมันเกิดขึ้นแต่จะไม่มันจะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจมันเกิดก็เกิดนะแต่ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนได้นี่คือประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วจะได้รู้เรื่องที่เราไม่รู้เรื่องรู้มาก่อนเรื่องของธรรมนี่แหละเรื่องของอนิจจเรื่องของอนัตตาเรื่องของ ทุกขังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีว่าจะเป็นของไม่มีเป็นของใครทางนั้นเป็นของโลกนี้ของต่างๆที่เราหากันมาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นของโลกนี้เรามาเที่ยวโลกนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเราก็ไปสนุกสนานเฮฮากันแต่เราไม่เอาของที่เราไปที่สวนสนามเอากับที่สวนสนุกเอากลับบ้านกันนะ เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของชั่วคราวให้เราไปสนุกเพลิดเพลินกันเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเวลาเรากลับบ้านเราก็กลับไปตัวเปล่าเวลาเราไปที่สวนสนุกเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวกับเราไปที่สวนสนุกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราหมด้โลกนี้ก็เป็นเหมือนสวนสนุกอันใหญ่โตมโหฬาร ความสุขความสนุกทนานต่างๆที่เราได้จากโลกนี้ก็เป็นของโลกนี้เป็นของสวนสนุกไม่ได้เป็นของเราถึงแม้เราจะเอากลับไปบ้านได้ก็ตามเดี๋ยวเขาก็มาตามมาคืนเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมของในโลกนี้คืออะไรก็คือของที่มันมาจากโลกนี้นะ ของต่างๆที่มาจากในโลกนี้มันมาจากอะไรอะมันก็มาจากดินน้ำนมไฟทั้งนั้นอ่ะขุดไปในดินก็ได้น้ำมันได้เหล็กได้เพชรได้พลอยอะไรต่างๆแล้วเราก็เอามาเป็นเจ้าของแต่เวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ทิ้งให้คนรุ่นหลังต่อไปคนรุ่นหลังก็ เอาไปไม่ได้เหมือนกันเวลาเขาไปเขาก็ทิ้งให้อนนุ่นหลังต่อมันก็ต้องอยู่ในโลกนี้ไปตลอดถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะได้ไม่เป็นหลงยึดติดว่านี่เป็นของฉันจะต้องอยู่กับฉันเป็นของฉันไปตลอดต้องคอยเตรียมตัวเตรียมใจว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าของ ใช่คนที่ซื้อรถเบนซ์รถเก๋งราคาแพงๆวันไหนไม่มีเงินผ่อนเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปเขาก็ไปขายให้อีกคนหนึ่งให้อีกคนที่มีเงินมาผ่อนซื้อต่อไปเหมือนกับการเล่นเก้าอี้ดนตรีเคยเล่นเมื่อสมัยเด็กๆเมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีมีการให้เปลี่ยนเก้าอี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมเวลา เวลาเขาเปิดเสียงดนตรีก็ให้เดินไปเรื่ยให้ลุกจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปเดินไปพอเวลาหยุดเสียงดนตรีก็ต้องนั่งตรงเก้าอี้ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสอนให้รู้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่มีเก้าอี้ตัวไหนเป็นของใครเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกันผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนเป็นเจ้าของกันเงินที่เรามีอยู่ในมือเรานี้ก็เหมือนกันะ วันนี้อยู่ในมือเราพรุ่งนี้มันอาจจะไปอยู่ในมือของคนอื่นก็ได้เงินที่อยู่ในมือของคนอื่นพรุ่งนี้อาจจะมาอยู่ในมือเราก็ได้เห็นไหมวันนี้เงินที่อยู่ในมือของญาติโยมเนี่ยมาอยู่ที่วัดกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันแนละ้วเปลี่ยนเจ้าของกันนะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยความยินดีก็ไม่เสียใจกลับมีความสุขใจเห็นไห เวลาเราทำบุญนี่เราสุขใจไหมมีความสุขใจแต่เวลาเราถูกเขาโกงไปนี่สุขใจไหมเสียใจถุกคนมาขโมยไปนี่เสียใจไหมทำไมต้องเสียใจก็เสียเหมือนกันเสียเงินเหมือนกันเงินก้อนเดียวกันถ้าเอาไปทำบุญโอดีใจมีความสุขพอถูกขโมยไปนี่เสีย อ, อกเสียใจทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ ว่าไปยึดไปติดกับเงินทองก้อนนั้นหรือไม่เวลาทําบุญนี่ไม่ยึดติดแนละ้วยินดีที่จะให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปด้วยความยินดีเราก็ดีใจมีความสุขใจพอมันจากเราไปด้วยความไม่ยินดีเราก็ทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาความสุขใจทุกข์ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่เสียไปนะ มันอยู่ที่ใจของเราว่าเรายินดีให้มันไปหรือไม่เท่านั้นเององั้นเรามาฝึกยินดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราดีกว่าแต่เวลามันไปเราจะดีใจเราจะมีความสุขคิดว่าเราเป็นการทำบุญทำบุญทุกอย่างเลยข้าวของเงินทองเวลาเสียไปให้คิดว่าเป็นการทำบุญขโมยขึ้นบ้านขนข้าวขน ข, ของไปไฟไหม้บ้าน ก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปแล้วใจจะมีความสุขร่างกายตายไปก็ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันยินดีให้มันตายนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับการสูญเสียจากสิ่งต่างๆคือหนึ่งเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรา สองเราจะต้องเสียมันและวิธีที่จะเสียมันอย่างมีความสุขก็คือให้ยินดีเสียถ้ายินดีเสียแล้วมีความสุขมากยอมเวลาทําบุญที่ทุกข์ก็ป่ะทุกข์กับเงินที่เสียไปแล้วป่ะถ้าทุกข์ก็สแสดงว่ายังไ ม, ไม่ไม่ยินดีที่จะเสียคนบางคนทําบุญแต่ไม่มีความสุขก็มีเพราะเขาไม่ได้ทําบุญด้วยความยินดี ก็จะถูกทําบุญด้วยการถูกบังคับเนี่ยเชนหน้ากรถินนี่ซองมาว่อนมาเลยพอเห็นซองกรถิ่นกันมามางคนก็ห่อเหี่ยวใจขึ้นมาเพราะนี่ถูกบังคับเหมือนถูกจี้ถูกต้นอนเนี่ยซองกรถินนี่เหมือนปืนวะปืนมาจี้เอาเงินของคนไปพอคนเห็นซองกระถินนี่ก็เอ๋อ ถอนถอนหายใจเพราะไม่ไม่ยินดีที่จะเสียแต่คนที่อยากจะทาบุญอยู่แล้วไม่รู้จะไปทาที่ไหนพอคนเขาส่งซองมาให้โอ้ยดีใจมีที่ไปทาบุญแล้ววันนี้จะสร้างโบสวันนี้จะสร้างห้องน้ำวันนี้จะสร้างเมนอพอเขาส่งซองมาบอกบุญโอ้ยดีใจนี่นะนี่แหละคือใจของเราเป็นอย่างนี้ ของเราจะมีความสุขใจเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าเรายินดีที่จะเสียถ้าเราไม่ยินดีที่จะเสียเราจะทุกข์ใจวิธีที่จะทําให้เรายินดีและไม่ทุกข์ใจก็คือเราต้องมีความสุขในตัวเราก่อนถ้าเรายังไม่มีความสุขในตัวเรา เราจะต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้อาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ยินดีที่จะเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพราะเราอาศัยเขาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วหรือคนที่มีเงินเหลือเฟือแล้วจะเสียส่วนที่เขาไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้เขาก็ไม่เสียใจเพราะเสีย เสียเงินส่วนนั้นไปกับการทำบุญเขาก็ยังมีเงินเหลืออยู่ให้เขาใช้ให้เขากินได้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็มีความสุขจากการสูญเสียได้แต่ถ้าจะทำให้ไม่มีความทุกข์กับการสูญเสียเงินทั้งหมดเลยคือไม่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็ต้องมีความสุขในใจก่อนถ้ามีความสุขในใจแล้วเนี่ย สละเงินสละทรัพย์สมบัติไปบวชกันได้เลยเพราะไม่ต้องการเงินทองมาให้ความสุขอีกแล้วเพราะได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขใจนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปอย่างไม่มีความเสียดายอย่างไม่มีความทุกข์ใจเสียดายอย่างด้วยความยินดี พอมีแล้วไม่ได้ใช้มันแต่ต้องกลายมาเป็นคนรับใช้มันถ้าเราไม่ใช้เงินทองแล้วเราก็ต้องมากลายเป็นคนเป็นยามคอยเฝ้าเงินทองมาคอยดูเงินทองเงินสู้เสียมันไปดีกว่าซู้ไม่มีเงินทองดีกว่าพอไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องมาเฝ้าเงินทองไม่ต้องมาคอยดูว่าตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วอยู่ในธนาคารดอกขึ้นดอกลง ก็เมื่อไม่ได้ใช้มันอ่ะเมื่อไม่ได้ใช้มันมีมันไว้ทำไมเมื่อไม่ต้องอาศัยมันถ้ามีความสุขใจแล้วมันไม่ต้องอาศัยข้าวของเงินทองมีไว้แทนที่จะมีความสุขกับมีกลายเป็นมีความทุกข์ทุกข์กับการต้องคอยดูแลรักษาสู้ยกให้คนอื่นไปดีกว่าให้เขาไปดูแลแทนเราดีกว่าในเมื่อเราไม่ต้องใช้เขาแล้วเรามีเขาไว้ทาไม คนที่มีความสุขใจแล้วนี้จะไม่อยากมีอะไรเชื่อไหมมีแล้วมันกลายเป็นภาระกลายเป็นของหนัก อ, อกหนักใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาพอบริจาคไปพอให้คนอื่นไปโอ้ยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวล อย่างนั้นถ้าเราอยากจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรามีอยู่นี้ไปอย่างไม่เสียใจอย่างไม่ทุกข์ใจเราต้องมีความสุขในใจให้ได้เพราะความสุขในใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราจะเสียไปงั้นเราก็จะไม่เสียดายเลยกับความสุขต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเรา เพราะว่าความสุขที่ได้จากมันน่สู้ความสุขที่ได้จากความความสุขใจไม่ได้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราจะไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายไม่ก็ไม่ต้องมีก็ได้แม้แต่ร่างกายก็ยินดีให้มันตายไปได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด คนที่มีความสุขใจที่เสียได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีความทุกข์ใจก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้แล้วก็พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีบรลมะสุขอยู่ในใจมีนิบานังปรมังสุขขังนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพานคืออะไรก็คือใจที่สงบนี่เองใจที่ได้ชําระ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจใจก็เลยสงบเต็มที่สงบตลอดเวลาสุขตลอดเวลาก็เลยไม่มีความอยากได้อะไรมีก็ยินดีที่จะเสียเหมั น, นเวลาตายนี่ท่านไม่ตายด้วยการร้องห่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวหวาดเสียว ท่านตายอย่างสงบตายอย่างสบายเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียอกเสียใจแต่อย่างใดเพราะท่านไม่ได้ไปอาศัยเขามาให้ความสุขนั่นเองถ้าเรายังอาศัยเขามาให้ความสุขอยู่เวลาเขาไปนี่เราจะเสียใจ เพราะว่าเราจะไม่มีความสุขแล้วหลังจากที่เขาไปเนี่ยนี่คือตวัวนี่คือเรื่องของความจริงเรื่องของธรรมะที่พวกเรานี้ถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้กันเมื่อไม่รู้กันแล้วนี่จะกลัวจะกลัวกับการสูญเสียจะกลัวกับการพลาดพลาดจากกัน จะกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันอยู่ก็ไม่มีความสุขถึงแม้จะมีข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามมีเงินทองกองเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นแสนล้านก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันกลัวกลัวที่จะต้องสูญเสียมันไปไม่ไม่เสียตอนเป็นก็เสียตอนตาย เราต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกาันไม่จากม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายนี่คือประโยชน์จากการมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราว เป็นสมบัติชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไปอาศัยไปยึดไปติดมันเวลามันจากเราไปเราจะทุกข์มากเราจะเสียใจมากถ้าเราไม่ไปอาศัยมันไปยึดไปติดมันเวลามันจากเราไปเราจะไม่ทุกข์วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมายึดมาติดมาอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็คือเราต้องมาหาความสุขใจให้เจอถ้าเราเจอความสุขใจแล้วเราก็จะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป็นโจทย์หรือเป็นเป็นข้อสอบของเราเป็นงานของเราก็คือมาหาความสุขใจให้เจอกันถ้าเจอความสุขใจแล้วเราจะสบายเราจะ ปีความสุขไปตลอดนะถ้าเจอนิพพานังปรมังสุขขังแล้วสบายจะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยลาบยศจันลเสริญไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเมื่อเราไม่อาศัยเขาเวลาเขาจากเราไปเราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจ เราจะไม่รู้สึกเสียใจเสียใจน่านกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆเวลามันต้องจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นตอนนี้เราควรที่จะมาศึกษาวิธีหาความสุขกันหาความสุขใจกันให้เจอคำสอนของพระเจ้านี้จะสอนให้เรารู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนแลวิธีแก้ปัญหาของเรา ให้แก้อย่างไรปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือเราไปหาเราไปอาศัยสิ่งต่างๆอาศัยบุคคลต่างๆอาศัยลาบยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆที่มาให้ความสุขกับเราไป พอเกิดการพัดภาคเราก็จะทุกข์ใจเสี ย, สยใจถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์ใจเสียใจเราก็ต้องมาหัดหาความสุขใจให้เจอพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะหาความสุขใจให้เจอก็คือให้หัดทําใจให้สงบให้ได้ให้หัดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ใจสงบนิ่งแล้วความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมา ความจริงไม่ได้เป็นของยากเกินเลยเด็กก็ทำได้บอกให้เด็กพุโทโธพุโทโธไปเด็กก็พุโทโธได้เพียงแต่ว่าจะพุโทโธได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเองถ้าพุโทโธได้นานก็จะเจอความสุขเจอความสงบเจอความสุขใจถ้าพุโทโธไม่นานก็ยังจะไม่เจอปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่ค่อยเชื่อว่าพุโทโธนี่วิเศษที่จะสามารถ พาให้เราไปพบกับความสุขใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสิ่งต่างๆกันเรายังเชื่อกาแฟเชื่อขนมเชื่อของต่างๆในโลกนี้ว่าให้ความสุขกับเราดีกว่าพุโทโธพุโทโธเราก็เลยไม่ค่อยทุ่มเทกับการเจริญพุโทโธกันถ้าเราเจริญพุโทโธ จ, จริงๆนี่ไม่นานเดี๋ยวเดียว บางคนห้านาทีสิบนาทีก็จิตก็รวมเข้าสู่ความสงบแล้วแล้วพอเจอความสงบเจอความสุขใจที่นี้หายสงสัยแล้วความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่จะเต็มเปียมขึ้นมาเต็มร้อย mm. ทีนี้จะไม่ต้องการอะไรแล้วทีนี้จะต้องการความสุขใจเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็จะพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป คอยควบคุมความคิดที่จะมาสร้างความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอหยุดคิดได้หยุดอยากได้ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็เย็นสบายมีความสุขคกายได้สัมผัสกับความสุข ของใจแล้วจะไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นจะอยากพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนนี่ก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความสุขความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาตลอดเวลานี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องมาร้องหม่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสีย กับการพัดภากจากสิ่งต่างๆไปถ้าเรารู้จักพุทธโธถ้าเราพุทธโธเป็นถ้าเราพบความสุขใจเป็นเราจะไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเขาจะอยู่กับเราเขาจะจากเราไปไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดร่างกายจะอยู่กับเราจะไม่อยู่กับเราก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะเราไม่ต้องใช้เขาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วเรามีพุโทโธเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่ของง่ายๆแต่จะได้ของที่มีคุณค่าราคายิ่งกว่าเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านอยู่ที่การท่องพุโทโธคำเดียวนี่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่มีใครเชื่อกันมันไม่น่าเชื่อมันเป็นไปได้หรือ คำพุโทโธคำเดียวนี้จะทำให้เรานี้มีความสุขมากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในโลกนี้จะมีความสุขมากกว่าประธานาธิปดีพระราชามหากษัตริย์จะมีความสุขมากกว่าพวกที่ได้รับเหรียญทองต่างๆจะมีความสุขมากกว่าพวกที่ได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกลองทําดูซิอันนี้ เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของมาแหกตากันแต่ถ้าไม่ทําก็จะไม่รู้ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองธรรมะของวัตเจ้าเป็นสันทิตฐิโกผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาต้องเป็นผู้พิสูจน์ด้วยตนเองต้องลองพิสูจน์ดูลองท่องพุทโธดูไปทั้งวันดูเนยวันเดียวขอวันเดียวแล้วนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธเนะี่ยมาอยู่วัดเนี่ย เคยพุโทโธรหรือย่างเนี้ยตั้งแต่มาอยู่วัดเนี่ยมาอยู่กันไม่รู้กี่ครั้งแล้วพุโทโธกันบ้างหรือเปล่าไม่พุโทโธเลยไม่เชื่อไม่เห็นคุณค่าของพุทธโธก็เลยไม่เคยเจอความสุขอันยิ่งใหญ่ของพุทโธโทรลองเชื่อสักวันหนึ่งเสรมไม่ขาดทุนไม่เสียเงินเสียทองเหมือนกับไปดูรถเกง๋งเขาว่ารถนี้ยี่ห้อนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาให้ไปขับหนึ่งวันเลย ไม่ยอมไปขับกันเห็นแล้วไม่เชื่อว่าเป็นรถดีอย่างนั้นอย่างนี้พุทโธนี่เป็นเหมือนรถยนต์ใหม่เอี่ยมจอดอยู่ในร้านที่จะให้เราไปพิสูจน์ว่าเป็นเป็นรถที่วิเศษให้ไปลองขับลองไปใช้ดูหนึ่งวันแล้วรับรองได้ว่าจะซื้อรถคันนี้ทันทีพอได้ลองใช้ลองขับแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ลองใช้ลองขับเพียงแต่ดูเฉยๆมันก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าถูกแหกตาหรือเปล่าคนขายมันหลอกเราหรือเปล่าเพราะมันไม่น่าเชื่อของดีๆทำไมมันถึงง่ายเหลือเกินของวิเศษมันทำไมถึงง่ายเหลือเกินเพียงแต่ท่องพุทธโธคาเดียวนะนีะ่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อให้ได้เชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ ให้เชื่อว่าการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่จะพาให้เราได้ไปสู่กับความสุขอันยิ่งใหญ่จะพาให้เราพบกับความสุขใจพอเราพบกับความสุขใจแล้วเราก็สบายเราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่เราจะต้องสูญเสียไปต่อไป ถ้าเรายังไม่มีพุโทโธยังไม่มีความสุขใจเราก็ยังต้องพึ่งสิ่งต่างๆอยู่ยังต้องพึ่งร่างกายต้องพึ่งมันพอร่างกายเป็นอะไรเราก็วุ่นวายใจกันขึ้นมาเดี๋ยวไปหาหมอหมอบอกเป็นเนื้อ ง, งอกขึ้นมาแค่นี้ก็วุ่นวายใจละแต่ถ้ามีความสุขใจแล้วไม่เดือดร้อนเป็นก็เป็นสิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ร่วงพ้นจากการเป็นมะเร็งไม่ได้ล่วงพ้นจากการเป็นโรคเบาหวานไม่ได้ล่วงพ้นจากการเป็นโรคหัวใจไม่ได้มันต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนยะในร่างกายนี้มันมีโรคหลายโรครอเราอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขใจแล้วโลกต่างๆในร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจความตายก็ไม่เป็นปัญหามันจะตายก็ให้มันตายไป มันจะเจ็บก็อยู่กับมันได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่กับความตายถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่กับมันไปอยู่กับความแก่ยังมีความสุขได้ถ้ามีความสุขใจนะดังนั้นขอให้พวกเรามาหัดพุทโธกันนะแล้วรับรองได้รับประกันได้พระพุทธเจ้ารับประกันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนะ ไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องเจอคำว่านิบบานังประมังสุ ข, ขังอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ ยิชีตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวาสมมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปันะราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิต so ิโยวิวัชานตุสัปปารุโขวินัสตุ มาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสิตสะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เนี่ยมีคนติดตามทางบ้านเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยเนี่ยพูดอะไรไปทั่วโลกรู้ปล่าเนี่ยวันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้ 22, อยสามสิบหกยูสองร้อยแปดสิบเก้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบสองรับฟังข้างบนนี้สามสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบสามครับเนี่ยใ น, นคนฟังเทน600ร้อยกว่าคน แล้วยังดูดูต่อที่หลังได้ดูย้อนหลังเป็นพันวันหนึ่งสี่ห้าพันคนดูยอดที่เขาเขาจดไว้ให้ดูคนเข้าชมสี่ห้าพันคนต่อวันคนเขาบางทีตอนนี้ไม่ว่างเขาเลยยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวพอตอนเย็นเขาว่างเขาก็เปิดดูเปิดฟังต่อทุกครั้งใครเปิดดูเปิดฟังมันก็จะมันก็จะจดไว้จดไว้บันเทึกไว้ แล้วก็ลวมยอดอตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาสนทนาธรรมใครอยากจ ะ, ะระบายหรือเล่าประวัติความรู้สึกจากการได้ฟังเทศฟังธรรมวันนี้ไม่ต้องถามก็ได้วันนี้เปิดโอกาสให้เล่าถึงความรู้สึกจากการที่ได้ฟังเทศฟังธรรมใครอยากจะพูดเอามาไป ให้คนที่เขาโผลออกเดียวกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะออยากจะพูดอะไรไหมไม่พูดไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเลยม่เราเท่ห์หมดแล้วแต่ยอมไม่พูดน้องไงพูดไม่ได้เลยขาดูพระอาจารย์เท่เขาก็อ่านรู้แล้วล่ะคิดรู้แล้วล่ะตรงใจทุกจุดน้องเขาเลยนะคะเออ อางนี้นให้ทางบ้านเขาส่งคําถามเข้ามาหรืทางบ้านอยากจะแสดงความคิดเห็นต่อการได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้อะ <c oughs> ลองเปิดโอกาสหน่อยลองให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ด่าบ้างก็ได้อาจจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ <c oughs> ครับคําถามจากทางเฟซบุ๊กคุณเฉลิมศักด อยากรู้ความหมายของคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขอพระอาจารย์ช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้องได้ครับความจริงของเรานี้ปเปิดดูในมือถือก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรบางทีเพื่อประโยชน์ของคนอื่นอ่าทานหมดเองละ๋ยวเปลี่ยนทาน y o u t u ู e อ่า เสียงกลับมาแล้ว <c oughs> อยู่ทุกเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขานี่อยู่ในกลุ่มของพรมวิหารสีพรมก็คือพระพรมวิหารก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของผ้าพรมผ้าพระผมนี้จะมีบ้านคือเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาอยู่คือใจของพระผมนี้จะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขา คำว่าเมตตาก็คือความรักด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกืออยากให้คนอื่นมีความสุขไม่อยากให้คนอื่นเขาทุกข์เนี่ยเรียกว่าเมตตาการที่เราจะทําให้คนอื่นมีความสุขทำอย่างไรมีเงินก็แบ่งให้เขาใช้ดูสิดูเขาจะสุขไหมนใช่ไหมเนี่ยเมตตาญาติโยมเอาเงินมาแบ่งให้พระใช้กันนี่ยเรียกว่าเมตตาเรียกว่า นอกจากเมตตาด้วยการแบ่งเงินให้คนให้มีความสุขแล้วยังสามารถทําให้คนอื่นเขาสุขได้ด้วยการไม่ไปเบียดเบียนเขาอย่าไปรังแกเขาอย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนอันนี้ก็เมตตาอย่างหนึง่งหรืออย่าไปทําให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้ก็เมตตาอีกอย่างหนึง่ง น, นี้คือลักษณะและอีกอย่างก็คืออย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใคร ใครจะทำให้เราเสียใจอย่าไปอาฆาตพยาบาทอาภัยทานยกโทษให้เขาไปเพราะการจองเวรจองกรรมมันมันเป็นพิษเป็นภัยกับผู้ที่จองเวรจองกรรม mm hmm. เวลาเราอาฆาตพยาบาทนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะีใจจะร้อนอยู่ตลอดเวลาพอให้อภัยปั๊บนี่ใจเย็นสบายเอ า, เอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมเรียกว่า นี่คือความเมตตามีอยู่สี่ลักษณะอโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมให้อภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้ทุกกายทุกใจต่อกันละกันให้ความสุขต่อกันละกันสค อ, อสอส่งความสุขเนี่ยปีใหม่นี้เราเราเมตตากันแต่เรามักจะเมตตากันเพียปีละวันนั่นเองปีหนึ่งอส่งสอขอสอกันใหญ่ขอให้มีความสุข แต่อีก3า0รกว่าวันนี้ส่งแต่ความทุกข์ให้ต่อกันเลยเนี่ยโซเชียลด่าไปด่าคนนั้นด่าคนนี้อีนูน่นอีนี่อันนี้ไม่ได้เมตตาเพราะไปทำให้เขาทุกข์ใจอย่าไปทำให้ผู้อื่นทุกข์ใจด้วยการพูดจาคำอะไรต่างๆถึงแม้จะจริงไม่จริงก็ตามถ้าเราไม่มีหน้าที่พูดอย่าไปพูดอย่าไปพูดเพราะต้องการจะทำให้เขาทุกข์ใจ อันนี้ไม่ไม่แสดงว่าขาดความเมตตาถ้าคนมีความเมตตาจะไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาเสียใจไม่ไปพูดให้คนอื่นเขาทุกข์กายนอกจากว่ามีหน้าที่จำเป็นจะต้องพูดต้องสอนก็พูดไปอย่างวันนี้เราพูดนี่อาจจะทำให้คนบางคนไม่พอใจก็ได้คนที่หลงไหลกับลาบยศสรนละเสรนี้พอเราพูดเรื่องนานเหล่านี้แล้วเขามั่งใจไม่พอใจเพราะเหมือนกับไปแช่งเขา แจ้งเขาว่าเดี๋ยวมึงต้องยากจนนะเดี๋ยวมึงจะต้องเสียยศเสียตำแหน่งนะเขาคิดอย่างนั้นถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาก็จะไม่พอใจแต่เขาไม่ดูความจริงวันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะทำให้ไม่เสียใจพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจจะได้ไม่หลงไหลจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงรับกับการพัดภาคจากกันต่อไป น, นี่คือข้อที่หนึ่งเมตตาข้อที่สองกรุณาก็แปลว่าสงสารสงสารคนที่เขาแย่ ก, กับเรานั่นเองคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนลําบากกับเราเรากินอิ่ ม, ม, มน้ําสํารานเขานั่งรินห้อยน้ําลายไหลอย่างเงี้ยถ้ามีขอทานมานั่งข้างโต๊ะเราก็จัดอาหารให้เขากินเรียกว่าสงสารอย่าไปดูดายอย่าใจไม้ไส้ละกรรม เราอิ่มได้ทำไมคนอื่นเขาจะอิ่มไม่ได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนกับการที่จะช่วยให้เขามีอาหารกินบ้างแม้แ้แต่เพียงมื้อเดียวก็ยังดีถ้าเร า, เาไปกินอาหารแล้วมีขอทานนั่งอยู่ที่หน้าร้านเราก็สั่งอาหารให้มันกินทักงจานอย่างนี้ก็เรียกว่าการูนาสงสารสงสารในความยากลาบากของผู้อื่นทั้งทางกายและทางใจอย่างญาติโยมนี่บางที ก็เศร้าสศกเสียใจพอมาเจอกันก็ต่างคนต่างสงสารกันต่างคนก็ต่างปรับทุกข์ให้กับกันคอยให้กำลังใจกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสงสารเหมือนกันอันนี้นะคือให้เรามีความสงสารต่อผู้ที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปแต่เอาไปช่วยแบบทำให้เข า, เ า, เาไม่ช่วยตัวเองช่วยเฉพาะตอนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ ช่วยให้เขารุกขึ้นยืนถ้าเขาล้มก็ช่วยให้เขารุกขึ้นยืนอย่าไปอุ้มเขาอุ้มเขาแล้วเขาสบายเขาเลยจะไม่ไม่ช่วยตัวเองเขาจะคอยให้เราอุ้มไปเรื่อยๆแ้าอย่างนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ถูกเนี่ยทำให้เขาอ่อนแอทำให้เขาไม่ช่วยตัวเองต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้เช่นถ้าตอนนี้เขาล้มไม่มีเงินทองเลยไม่มีรายได้ตอนนี้ช่วยพยุงเขาไปก่อน ให้เขามีรายมีเงินใช้ซื้ออาหารซื้ออะไรที่จําเป็นจนกว่าเขาจะหางานทําได้แต่ต้องบอกเขาว่าต้องไปหางานนะไม่ใช่ว่าจะพอได้ช่วยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ไปจะมารอรับแต่อย่างนี้ไม่ได้นะถ้ารออย่างนี้ก็จะช่วยแค่เดือนเดียวนะอะไรมันก็ต้องมีมาตรการบีบบังคับให้เข้าไปพึ่งตัวเขาเองเรียกว่าสงสาร มตลิตานนี้คือความยินดีกับความเจริญของผู้อื่นความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาคนอื่นเขาได้ดีบได้ดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคู่คแข่งกับเราเช่นเราทำงานที่เดียวกันอยากจะได้ตำแหน่งงานเดียวกันอยากจะเป็นหัวหน้าแต่เขาได้ไปเราไม่ได้เราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจอย่าไปอิจฉาริอเสยียเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันมากัดกินใจเรา ทาให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าเขากับเราก็มีหัวหอกเงินเดียวกันอยากได้ของเงินเดียวกันใครได้เขาก็จะดีใจเราก็ควรที่จะดีใจไปกับเขาดีกว่ามองเขาว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันต้องอยู่ร่วมกันอยา่าอยู่กันแบบเป็นศัตรตูดีกว่าก็ไปแสดงความยินดีกับเขาไปชื่นชมยินดีซื้อดอกมุง้งดอกไม้กระเช้าอะไรไปแสดงความยินดี แต่ถ้าเกิดเป็นมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมนานานไม่สามารถที่จะแสดงความยินดีได้ก็ทาใจเฉยๆไว้ก็แล้วกันถือว่าบุญใคร h, บุญมันกรรมใครกรรมมันไปอันนี้เป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเราแต่อย่าไปอิจฉาลิสยาอย่าไปหาวิธีกั่นแกล้งเขาอย่าไปทำหนังสือร้องเรียนว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เปขัดขวางความเจริญ ของเขาอันนี้ไม่ควรทำเพราะมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับเราเองถ้าใบแสดงความยินดีชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของเขาไม่ได้ไไดก็เฉยๆไปทำใจว่าเป็นบุญเป็นกรรมไปอันนี้เรียกว่าออเบคาถ้าเมตตาไม่ได้ถ้าการุณาไม่ได้อมุติตาไม่ได้ก็ให้ทาใจเฉยๆใหอเบคาอย่าไปคิดร กับใครเทั้งนั้นทําใจเฉยๆให้คิดว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมไปตอนนี้เป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเราออย่างนี้เราก็จะไม่มีปัญหากับใครอยู่กับคนทุกคนได้อย่างมีความสุขนี่เรียกว่าพรหมวิหารสี่เมตตาการุณามุนีตาอุเบกขาแล้วอีกข้อนึงอีกกลุ่มหนึ่งก็ถามว่าอย่างไรเอติบาศสี ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาอันนี้เป็นกลุ่มที่จะทําให้เราพบกับความสําเร็จถ้าเราต้องการสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเราต้องมีอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี้มีมีสอย่างฉันทะแปลว่าความยินดีความชอบในสิ่งที่เราทำํำนะวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรจิตตาคือการจดจอ่อ การทุ่มเทให้กับงานที่เรากำลังทำอยู่วิมังษาคิดค่ายควรเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเรามีสี่อย่างนี้แล้วเราจะพบกับความสาเร็จขั้นแรกเราต้องชอบก่อนถ้าเราทำอะไรไม่ชอบมันจะไม่อยากทำเมื่อไม่อยากทำมันก็จะขี้เกียจ แล้วมันก็จะไม่จดดจอ่อไม่ทุ่มเทมันจะไม่คิดแต่เรื่องงานมันจะไปชอบมันชอบเรื่องเที่ยวมันก็จะไปคิดอยู่กับเรื่องเที่ยวอย่างนั้นเราต้องสร้างความชอบให้ได้ก่อนวิธีที่จะสร้างความชอบหรือความยินดีในหน้าที่การงานก็มองถึงผลที่จะตามมาเช่นแต่เราชอบเรียนหนังสือเดี๋ยวผลที่จะตามมาก็คือเนี้ยเป็นด็อกเตอร์เห็นไหมจบเป็นปริญญาเอกขึ้นมา ถ้าไม่ชอบเรียนก็ไม่มีวันที่จะจบเป็นด็อกเตอร์ได้ถ้ามีความชอบแล้วรู้ว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์นี่มันเก่งมมันเก๋เหมือนสุดยอดของของของผู้รู้ของผู้ฉลาดพอคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีความชอบที่จะเรียนพรามมีชอบเรียนก็จะขยันไปโรงเรียนขยันไปทำการบ้านขยันไปทำอะไรหน้าที่ของการเรียน ใจก็จะจดจ่ออยู่กับการเรียนอย่างเดียวจะไม่ไปคิดไปเที่ยวที่นู่นคิดไปเที่ยวที่นี่ใครมาชวนก็ไม่ไปะว่าตอนนี้ต้องทําต้องเรียนหนังสือต้องดูหนังสืออความคิดก็จะไม่คิดไปหาความสุขทางอื่นไม่คิดแต่เรื่องเรียนอย่างเดียวนี่คือเรื่องของอิทธิบาทสใครมีฉันทะวิริยะจิตวิมังสาแล้วจะพบกับความสําเร็จไม่ว่าทางโลกก็ทางธรรม ทางโลกก็ได้เป็นด็อกเตอร์ทางธรรมก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาทคือทางฟุตบาทเห็นไหมเคยได้ยินคําว่าฟุตบาทไหมทางเทา้าในภาษาไทยเอาภาษาบาลีมาปนกันฟุทเป็นภาษาอังกฤษพุทธแปลว่าเทา้าบาทแปลว่าทางฟุตบาทก็เลยกลายเป็นทางเทา้าอิทธิบาทก็คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ ทางสู่ความสําเร็จน una. เนี่ยพยายามสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นมาให้ได้วิธีจะมีฉันทะก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้มันมีคนมีประโยชน์อย่างไรพอรู้ว่าโอมีความมีคนมีประโยชน์ <c ise> ใช่ไมเ น, <c oughs> นี่ยคนทุกคนอยากเป็นนายกไหมใช่มเนี่ยเนี่ยต้องมี <c oughs> ต้องมีที่บาสีถึงเป็นนายกได้ต่อไปเดี๋ยวเป็นการเมืองไว้เดี๋ยวเป็นช่องการเมืคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามมีสองคำถามครับคำถามแรกหากเราอยากจะถือศีลแปดที่บ้านของเราให้เป็นปกติทุกวันแต่ที่บ้านมีคนอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับ ทำงานอยู่รวมกันเป็นกองศีกรณีเช่นนี้ควรไปถือสินแปดที่วัดหรือถือที่บ้านเจ้าค่ะก็แล้วแต่กรณีไงถ้าไปได้มันก็ดีก็อยู่อยู่มันมีอุปสรรคเยอะ ถ้าไปแล้วอุปสรรคในการรักษาศีลแปดก็จะไม่มีเช่นมาอยู่วัดนี้ทุกอย่างเปิดโล่งหมดสําหรับผู้รักษาศีลแปดข้าวเย็นก็ไม่มีเกินหนังก็ไม่ห <c oughs> นังก็ไม่มีดูนน เ, ออเออตียงก็ไม่มีนอนนอนก็นอนกับพื้นแข็งเตีย ง, งไม้อะไรอีนั้นก็นนถ้าเราไปได้ก็ดีถ้าเราอยากจะรักษา แต่ถ้าเราต้องอยู่แล้วเราอยากอยากจะรักษาอยู่ก็รักษาเท่าที่รักษาได้ mm hmm. ข้อไหนรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อน mm hmm. ข้อไหนรักษาได้ก็รักษาไป mm hmm. คำถามที่สอง Uh, มีคนบอกว่าถ้านั่งสมาธิในที่ที่มีเสียงดังเช่นเสียงรถวิ่งเสียงดนตรีเป็นการฝึกอย่างดีแต่ในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกการานั่งสมาธิควรฝึกในที่เงียบสงัดจะดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะ่ะถูกต้องคนยังไม่มีกำลังสติยังไม่มีกำลังพอเสียงมากระทบมันก็ไปกับเสียงและอยู่พุโทโธได้สองคพอเพลงมาก็ร้องลัมทำ ต้องไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีอะไรมาดึงใจไปแต่ถ้าจิตแข็งแล้วเทนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ ม, มันจะไม่ไปถ้ามีสติดึงเอาไว้ได้แต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นการชักไปเยอะกันอยู่นั่นถ้าต้องการความสงบแม้แต่ผู้ที่มีจิตแข็ง<ๆ>ก็ไม่อยากจะไปนั่งสมาธิในบารหรอกถ้าจะไปก็ไปนั่งที่ทจอดรถ ด, ดีกว่า สมัยที่เราฝึกหัดสมาธิมีเพื่อนอยากจะไปอาบอบนวดชวนเราไปเป็นเพื่อนฮะอาบจริงๆนี้เล่าให้ฟังแต่กูไม่เข้าไปนะกูจะนั่งอยู่รอมึงที่รถเนะี่ยหวห้มันเข้าไปแล้วเราก็นั่งสมาธิในรถไปที่จอดรนะถเนี่เข้าไปนะั่งไปนั่งเนะี <laughs> เดี๋ยวโดนเขาตีหัว คำถามต่อไปจากคุณซอมีสองคำถามครับคำถามแรกระหว่างคาัวาสกับนักบวชใครมีทุกมากกว่ากันเจ้าค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ที่คหราวาสหรือ ย, อยู่นักบวชอยู่ที่กิเลสใครมีกิเลสมากคนนั้นทุกมากเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่การเป็นพระหรือเป็นคารวาสคาัวาสนี่ทุกน้อยกับพระก็มีพระนี่ทุกน้อยกับคารวาสก็มี ยันต้องดูที่กิเลสทัานหาความโลภความโกรธความหลงความอยากในใจของแต่ละคนอันนี้เป็นมาตรวัดเป็นตัวที่จะรู้ว่าใจทุกข์หรือไม่ทุกข์เพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองแล้วถ้าเราออกบวชทุกข์จะน้อยลงไหมเจ้าคะ่ะถ้าเราไม่ไปกําจัดกิเลสมันก็ไม่น้อยลงถ้าไปเสริยงกิเลสก็อาจจะทุกข์มากขึ้น พระบางองค์บางคนมาบวชเป็นพระแล้วก็เกิดความโลภอยากได้ตำแหน่งต่างๆอยากได้เป็นตอนต้นก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสต่อไปก็อยากจะเป็นเจ้าอาวาสพอเป็นเจ้าอาวาสก็อยากจะเป็นเจ้าคณะอําเภอตาบลเจ้าคณะจังหวัดอยากจะได้ยศตอนต้นก็อยากได้พระครูพอได้พระครูก็อยากจะได้เจ้าคุณพอเจ้าคุณชั้นธรรมดาก็อยากจะชั้นลา ชั้นเทพชั้นอะไรไปจนหนึ่งชั้นสังฆราชน่นะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทุกต่อไปทุกกับความอยากเพราะเวลาไม่ได้เสียใจเวลาเขาประกาศชื่อปีนี้ว่าใครจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศพอดูไม่มีชื่อเราเศร้าอย่างเรานี่สามสิบกว่าปีแล้วอยู่ชั้นเดียวกันมาตลอด <laughs> <laughs> ไม่เคยได้เลื่อนขั้น <laughs> เลื่อนยศกับเขา <laughs> แต่ก็ไม่เคยได้มีความยินดีอยากจะได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ทุกข์ เขาให้มาก็รับไปเราก็มียศรูปอะเพียงแต่เราไม่เคยมาอวดเท่านั้นน่ะแต่ได้มาแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปสามสิบสมสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ปีสามหกเนี่ยเขาตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุ ณ, คณก็อยู่มาเนี่ยชั้นนี้ทุกปีคนอื่นเขาขึ้นไปมดแล้วคนที่รุ่นเดียวกันตอนนี้เขาทำชั้นทำชั้นอะไรไปแล้ว <c oughs> เราก็ยังชั้นสามัญอยู่อย่างนี้แหละก็เพราะเราไม่ขวนขวาย แล้วไม่มีอิทธิบาทสี่ในทางนี้มันก็เลยไม่ไปเพราะมันจะไปนี่มันจะต้องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ต้องไปคอยรับใช้ผู้ใหญ่กง่ายๆก็คือต้องลิ้นยาวถ้าลิ้นยาวก็ไปเร็วถ้าลิ้นสั้นก็ไปช้าไม่ไปเลยอันนี้พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังงั้นไม่ว่ามาบวชเป็นพระแล้วจะจะ ความทุกข์จะหายไปไม่หายหรอกมันอยู่ที่ใจว่าควบคุมกิเลสได้หรือไม่ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ปล่อยให้มันออกมาแผงลฤทธิ์มันก็จะทําให้ใจในี้ทุกข์ไปเรื่อยๆคําถามต่อไปจากคุณในเวลาเราสวดมนต์ที่บ้าน <c oughs> ต้องสมาทานศีลห้าด้วยหรือเปล่าครับเเราอยากจะซื้อศีลห้าหรือเปล่าเราถ้าเราไม่ถือศีลห้าไปสมาทานทําไม กว่าสมาทานก็คือสแสดงเจตจำนงว่าจะต้องการรักษาสี่ห้าถ้าเราไม่มีความตั้งใจจะรักษาสีลห้าเราก็ไม่ต้องสมาทานถ้าเราต้องการรักษาศี่ห้าเราก็สมาทานว่าวันนี้จะขอรักษาศีลห้าปาณาติปาตาเวรมณีก็ว่าไปจะว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้ว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ ขอให้เราเป็นคนรู้เท่านั้นนะเราไม่ต้องมีศักขีพยานก็ได้ไม่ต้องให้มาพระให้มีพระมาบอกสิลให้กับเราก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าสีนหน้ามีอะไรก็เราก็รักษาไปคำถามต่อไปจากคุณเบนปกติหนูปฏิบัติด้วยการฝึกสมาธิวิปัสสนาดูลมหายใจดูร่างกาย โดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับคำสอนอื่นๆช่วงหลังเพิ่งจะทราบว่าควรปฏิบัติและศึกษาคำสอนควบคู่กันไปด้วยแต่พอศึกษาแล้วหนูจะได้คำสอนออกเป็นกลุ่มๆเช่นมรรคอริยสัจว์4หรืออื่นๆเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้เจ้าคะ่ะแต่ก็อยากจะเชื่อมโยงให้เข้าใจควรทาอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะ่ะ คือการศึกษาเหล่านี้ก็เป็นเป็นการศึกษาให้เห็นภาพรวมของของโครงการปฏิบัติธรรมแต่เวลาปฏิบัติจริงๆนี้เราไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราต้องปฏิบัติในปัจจุบัน เช่นเราศึกษาก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนนี่เราอาจจะดูโครงการของการศึกษาก็ได้ว่าถ้าเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องไปจบปริญญาเอกแนี้แต่เวลาเราเริ่มเรียนเราหัดกอไก่ขอไข่เราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าการจะได้ปริญญาเอกต้องทำวิทยานิพนธ์อย่างไรอัไนี้ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจกับการหัดกอไก่ขอไข่ไปเท่านั้นหัดบวกเลขคูณหารไปทาหน้าที่ในปัจจุบันของเราไป เวลาปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปรู้มากให้รู้เป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกของการปฏิบัติก็คือศีลแปดต้องถือศีลแปดให้ได้สองไปอยู่วัดไปอยู่ที่เงียบๆให้รู้อย่างนี้ก่อนแล้วสามให้รู้จักวิธีเจริญสติพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิทาจิตให้สงบก่อนจิตสงบแล้วถึงค่อยไปวิปัสสนาต่ออันนี้เอามันทั้งหมดทุกอย่างเลย รวมกันหมดทั้งสมาทั้งทิทั้งวิปัสสนาทั้งมรรคแปดทั้งอะไรปนกันไปหมดจนปวดหัวอืไม่ต้องไปรู้นี่เขาเรียกว่าแบกทำอย่าไปแบกรรทำทําไม่ได้มีไว้ให้แบกทำไว้มีไว้สําหรับบอกทางเราว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราควรจะทําทอะไรต่อไปถ้าเราไม่รู้อย่าไปศึกษาฟังอาจารย์สอนดีกว่า อาจารย์สอนให้ทำเป็นขั้นเป็นตอนการแรกก็ศีลรักษาศีลให้ได้ก่อนศีลห้าศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้ก็หาเวลาไปอยู่ที่เงียบเงียบไปอยู่วัดเนี่ยแล้วก็ไปหัดจะพุทธโทกันเนี่ยอย่างที่วันนี้สอนลองไปพุทธโทสักหนึ่งวันดูลองขับพุทธโทดูสักวันหนึ่งแล้วจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดี แล้วพอได้สัมผัสกับผลแล้วมันก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาเนี่ยธรรมต่างๆเรานี่มันเป็นธรรมประกอบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องรู้ว่าวว่าฉันอิธิบาทสีมีอะไรมากแดมีอะไรขอให้รู้ตอนที่เราทำนี้ว่าเราต้องมีอะไรท่นเองอนนี้เรามีศีลแปดืลเปล่าเรามีที่สงบหรือเปล่าเรามีพุโทโธอยู่ในใจหรือเปล่า เอาตรงนี้ก่อนทำให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยขึ้นไปกขั้นหนึ่งต่อไปตามลำดับคำถามต่อไปจากคุณสุทัศนีเมื่อคืนท่องพุทโธก่อนนอนแล้วก็หลับไปฝันว่าตัวเองนั่งสมาธิและบริกรรมพุทโธจนจิตนิ่งวูบลงไปเหมือนตกเหวหลังจากนั้นเห็นจิตตัวเองลอยออกจากร่างกาย ตกใจสุดขีดระลึกถึงท่านพระอาจารย์แล้วภาวนาพุทโธทีทีหลังจากนั้นจิตก็พุ่งเข้าร่างตกใจมากความฝันช่างเหมือนความจริงเหลือเกินเจ้าคะ่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรและเหตุใดจึงฝันเช่นนี้ความฝันนี่แก้ไม่ได้เพราะความฝันมันเป็นผลจากการกระทำของเราตอนที่เราตื่นตอนที่เราตื่นเราหัดพุทโธพุทโธ พอเวลานอนหลับมันก็ไปทําต่อในตอนที่เราหลับพอทําต่อมันก็เลยเกิดผลขึ้นมาก็ไม่ต้องไปวิตกมันเป็นความฝันเดี๋ยวมันก็หายไปพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปจิตจะออกจิตจะเข้าไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปกังวลวิธีปฏิบัติต่อความฝันถ้าเราทําได้ก็คือให้รู้เฉยๆแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของความฝันอพอเรา พอเราตกใจเราก็พุโทโธพุโทโธต่ออันนี้ก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราตื่นเราเคยฝึกพุโทโธเราเคยรู้ว่าถ้ามีอะไรก็ให้พุโทโธพออยู่ในฝันเราก็ทำไปตามที่เราเคยทำตอนที่เราตื่นั้นช่วงที่เราฝันนี่เราไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นผลแต่ก็ไม่เสียหายเพราะเป็นผลดีจิตได้สงบจิตชุบรวมถึงแม้จะเป็นความฝัน มันก็เป็นเหมือนจริงนขั้นต่อไปเราควรจะเอามาทําตอนที่เราตื่นทําให้มันเป็นไปตอนตอนที่เราตื่นแล้วถ้าเราทําได้ต่อไปเราก็จะทําได้เรื่อยๆคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามธรรมะใดที่เหมาะกับความเป็นที่รักของคนครับออการจะเป็นที่รักของคนก็นี่แหละต้องมีพรหมวิหารสี คนมีพรหมวิหารสี่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนนักไม่มีคนเกเรนะมีแต่ให้ไม่มีใครไม่ได้ไม่มีต้องความต้องการอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่จากใครไม่เบียดเบียนใครไม่อาฆาตพยาบาทใครมีแต่ให้มีแต่ความช่วยเหลือมีแต่แสดงความยินดีเวลาไม่พอใจก็ไม่แสดงอาการออกมาทำใจเฉยเฉยเป็นอุเบกขาไปใครมีพรหมวิหารสี่ก็เหมือนเป็นพรหม พรอมนี้เป็นผู้ประเสริฐใครอยู่กับพรอมก็จะมีแต่ความสุขคำถามต่อไปจากคุณนกลูกอยู่ที่สวีเดนมีคนต่างชาติมาให้สอนพิธีที่ทำให้จิตสงบด้วยการนั่งสมาธิหนูสอนให้กำหนดพุทโธได้ไหมเจ้าคะถ้าเขานับถือศาสนาอื่นเพราะถ้าเขากำหนดลมหายใจแล้วอึดอัดไม่นิ่งเจ้าคะ่ะ ได้ถ้าเขานับถือศาสนาอื่นจะให้เขาถ้าเขาเป็นครื่องกยนับให้เขาบรญกรรมเยซูแทนพระพุทธโอ้ก็ได้ถ้าเขาเชื่อพระเยซูก็เขาให้ใหเขาบรญกรรมเยซูเยซูไปพอเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครเขาอาจจะไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เขาอาจจะมีศรัทธาในพระเยซูหรือในพระเจ้าก็ได้ถ้าพระเจ้าก็ให้เขาท่องกอดกอดกอดกอดไป เดี๋ยก็เหมือนกันเพราะเป็นอุบายเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราหยุดความคิดต่างๆความคิดของเราตอนนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราคิดแล้ววุ่นวายใจคิดแล้วไม่สงบต้องมาใช้คําบริกรรมแทนพุทโธพุทโธกอดกอไปหรือเจสซัสจสซัสไปให้เขาใช้คําไหนที่เขาชอบ แต่อย่าใช้คำว่ามันนี่มันนี่ก็แล้วันเเดี๋ยวพอมันมันนี่แล้วมันจะโลภไม่ใช่นะมันจะอยากขึ้นมาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้รักชังกลัวหลงผมสังเกตว่ารักชังกลัวพอรู้สึกได้แต่หลงจะรู้ได้อย่างไรว่ากาลังหลงครับและ รักชังกลัวหลงแต่และอย่างมีวิธีรับมือเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับน้องนี่ดูยากว่าคนหลงเหมือนคนตาบอดน้องก็คือเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขนี่แหละ ว, วันหลงนะเห็นว่าได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขเนี่ยหลงนะเพราได้มาแล้วเดี๋ยวกานเป็นก ร, กระสอบกระสอบทรายไปโดยไม่รู้สึกตัว อันนี้จะหายหลงต้องไปดูไปดูตัวอย่างเวลาเราเราหลงกับอะไรคิดว่าดีเราต้องไปดูตัวอย่างว่ามันดีจริงหรือเปล่าไปถามคนที่เขามีแฟนว่าเป็นไงดีั้มมีแฟนแล้วดีไหมก็จะหายหลงหลงนี่ยากหลงต้องอาศัยการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าการหลงก็คือการไม่เห็นตายรัก ไม่เห็นอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เห็นว่ามันจะทำให้เราทุกเวลามีการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นว่าเราไปควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานี่คำถามต่อไปจากคุณเล็กปิติ ที่เกิดขึ้นจากการเมตตาต่อสัตว์และผู้อื่นสําหรับผู้ที่พิจารณาเวทนาอยู่อารมณ์ปิติที่เป็นสุขนี้ควรพิจารณาอย่างไรครับมันคนละเรื่องกันนะถ้าอยู่กับเวทนามันก็ต้องพิจารณาเวทนาไปพิจารณาเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้ไปไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าเรามีเวทนาเราก็ต้องพิจารณาเวทนาว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันสุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้เวทนามันจะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวก็สุขเขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกขเ์เขเวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เขเวทนา ถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราสบายเราอย่าไปอยากเปลี่ยนมันปล่อยให้มันเป็นไปมันสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไม่สุขไม่ทุกข์ไปแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนเนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวกับปิติกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมานี่มันคนละเรื่องกันนะหรือเราไม่เข้าใจคําถามใช่ไหม <ท>ำคำถามเ้าว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเขาว่าอย่างเขาจะเอาเรื่องหมามาปฏิบัติการเรื่องเวทนาเลยครับเขาบอกว่าพิจารณาเวทนาครับแล้วก็ เ, เนี่ยการที่เขาได้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและต่อสัตว์เนี่ยครับทำให้เขามีปิติ อ, อ, อาจจะคําว่าเวทนานี่เป็นแปลว่าสงสารนะ อ, อ, อ, อันนี้พูดภาษาไทยนี่มีปัญหาเพราะความหมายมันมีหลายความหมาย เวทนาทางธรรมนี่แปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเวทนาท า, ทางทางทางโลกทางที่เราใช้กันแปลว่าสงสาราถ้าสงสารเรามีความกรุณาช่วยเหลือสัตว์เราก็ทําให้เราเกิดปิสิความปิติขึ้นมา เ, าเห็นหมามันเล่ยล่อนไม่มีที่อยู่อาศัยก็ามาเลี้ยงมันให้อาหารมันกินพอเห็นมันมีความสุข กระเดงกระเดกขางหาวเรื่อเหล่านี้เราเห็นมาล้วก็มีความสุขมีปิติขึ้นมาเหตุนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันขออภัยด้วยเพราะมันฟังแล้วงงคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามนะครับการที่เราปล่อยให้เช่าพระเครื่องสักยันและของขลังอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับเ อ, อไม่บาปหรอกแต่มันเป็นความหลงมันไม่มีคุณประโยชน์อะไร มันเป็นเพียงแต่ความเชื่อที่ไม่มีผลตามมามีเครื่องรางของขังเท่าไหร่ก็มาคุ้มครองเราไม่ได้สักยันยังไงก็ตายเหมือนกันโดนปืนยิงก็ตายเหมือนกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความงมงายก็เท่ากับเราช่วยแผ่ขยายความงมงายให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะเราเอาหนังสือธรรมะไ ป, ไปแจกไปขายดีกว่าถ้าเรายังไม่มีเงิน ยังแต่เราอยากจะเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ขายในราคาต้นทุนก็ได้แต่ถ้าเรามีเงินเราก็แจกฟรีให้ของที่มีคุณค่าจริงๆดีกว่ า, าคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคำถามจากคุณปุ๊กขออนุญาตสอบถามการประจิบ การปฏิบัติพิจารณาสติปัฏฐานสี่มีขั้นตอนในการพิจารณาอย่างไรสติปัฏฐานสีนี้ความจริงมันเป็นการปฏิบัติสขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการเจริญสติพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติร่างกายกําลังยืนก็เฝ้าดูลู่มันกำลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังอาบน้ํากําลังแปรงฟัน ให้ใจเราอยู่กับมันอย่าปล่อยให้ใจเราไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าคิดถึงนู่นน้นคนนี้ก็แสดงว่าไม่มีสติขั้นตอนแรกของสติปัฏฐานก็คือให้เราให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายพอเรามีสติแล้วขั้นที่สองก็ให้ไปนั่งโคนใต้โคนต้นไม้นั่งดูลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าออกแล้วก็จิตก็จะสงบเป็นสมาธิ พอจากสมาธิพอชำนาญในสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาขั้นที่สามไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ต่อไปเอาแล้วนะีวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต